ออกจากความเป็นอย่างนั้นมาแล้วมันก็กลับมาเป็นตัวเป็นล่างเป็นตัวเป็นตนอย่างเดิมแล้วร่างกายที่มองเห็นว่ามันสลายตัวไปนั้นมันก็ยังอยู่อย่างเก่าหาได้สลายตัวไปไหมเพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่านิเม็ด ท, ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นกับผู้ภาวนาในขั้นต้นนี้เคยในเม็ดซึ่งจิตของเราปรุงเป็นภาพขึ้นมาเองต่างหาก ไม่ใช่เรื่องอื่นมาแสดงตัวให้เราเห็นแม้แต่ร่างกายที่ตายแล้วเน่าเปื่อยผุกพังลงไปก็ตามไม่ใช่ร่างกายเป็นตัวแสดงแต่เจตัวสังขารตัวปรุงนีนต่างหากที่มันปรุงแต่งให้เป็นไปอย่างนั้นทาไมามันจึงปรุงแต่งกพราะเราอยากรู้อยากเห็นอยากให้มันเป็นอย่างนั้น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 ก็เพื่อเป็นโอบายจะสอนใจของเราให้มันรู้จริงรู้ว่าเราจะตายจริงตายแล้วมันจะต้องเน่าจริงเน่าแล้วมันจะต้องสลายตัวสับสูญไปจริงเพื่อให้เจตมันรู้สึกจำานึกว่าความตายเนี่ยใครจะเสียใจก็ตามไม่เสียใจก็ตามใครจะชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามใครจะยินดีก็ตามไม่ยินดีก็ตาม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 ประการที่สองเพื่อให้เกิดสติปัญญาซึ่งเกิดจากสมาธิเรียกว่าสมาธิปัญญาสมาธิปัญญานี่คือปัญญาที่เกิดจากจิตสงบเป็นสมาธิสามารถที่จะบรรดาจิตให้เกิดความรู้โฟมจิตโฟมธรรมเป็นลำดับซึ่งสดแทแต่สมรรถภาพของผู้บาเพ็ญ น, นั้นจะสามารถทาให้เป็นไปได้เพียงใดแค่ไหน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 ก็ตั้งใจยัภาวนาลงไปเราสาธุสาธุข้าพเจ้าภาวนาแล้วพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยเบอร์มิตรสาธิขอให้ข้าพเจ้ามีคนที่ยอมนับถือมากๆมิตรสมาธิตสมาสมาธินั้นจะม่่งให้จิตสงบตั้งมั่นให้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตใจใจของตนเองอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าใจของเราจิตของเรานี <sh> ่มันเป็นอย่างไรมันเป็นคนเี่รลบเี่โก่อเท่หลง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 เป็อย่างสมมติว่าทำสมาธิได้ดีแล้วเกิดมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆทําเครื่องรางของสังกษ์ก็วิเศษสามารถตัจนกระทั่งจิตใจของกบและบางทีสามารถที่จะนึกภาวนาอยู่ที่กติแล้วจะนึกแท้ใครเป็นอย่างไรอย่างไรก็ได้แต่เสร็จแล้วยิ่งเก่งก็ยิ่งกิเลสตัวโตขึ้นท่านจึงเห็นว่ามันไม่ถูกทางเพราะฉะนั้นสมาธิที่จัดว่าเป็นสัมมาสมาธินั้น เธอมองตรงต่อโชค ป, ปฏิปันโนผู้ปฏิบัติโอโชก ป, ปฏิปันโนปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนปฏิบัติเพื่ความรู้ยิ่งเห็นจริงสามเเจปฏิปันโนปฏิบัติชอบจริงตามแนวทางแห่งสังขกขุตสิ่งเจตีชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิทีนี้ตอนที่อาตมากล่าวว่าการทําสมาธิไม่จําเป็นแต่ต้องมีศีล สมาธิที่ไม่มีศีลเป็นหลักประกันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิผู้ภาวนาแล้วมักจะกลายมีเกิดมีเป็นสัญญาวิปลาสนักภาวนาที่ภาวนาเก่งๆแล้วบางทีเสียเสียสติสตังเป็นบ้าเป็นบอ่อไปเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าความมีศีลบริรสุทธิ์สะอาดแล้วภาวนาอย่างไรไม่เกิดความเห็นผิดสัญญาวิปลาสไม่มีว่าศีลตัวเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องประกันความบริสุทธิ์ของผู้ปฏิบัติ เราจะนั่นสาทุชนผู้มุ่งที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อให้บรรลุมรรคผลกันจริงจังแต่ต้องมั่นใจหรือจะต้องตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ตามขั้นภูมิของตัวเองเพราะความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์กันเป็นการตัดผลเพิ่มของกรรมอย่างเมื่อวานนี้เราอาจจะตบยุงอยู่หลายตัว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 แต่เมื่อเราคิดดีเราทำดีนั่นเป็นผลดีแต่ถ้าเราคิดชั่วแล้วทำชั่วด้วยอันนั่นเป็นผลเสียหายในเรื่องความของความคิดนี้เราห้ามไม่ได้เพราะมันคิดมาสจนเป็นนิสัยประจาสันดานแล้วแต่เมื่อเราคิดแล้วเราควรึกถึงศีลที่เราสมาทานคิดจะค่านึกถึงปานาติบาคิดจะรักนึกถึงอธินาทาน คิดว่าจะละเมิดข้อไหนเนืถึงศีนข้อนั้นแล้วเราก็ไม่ทําลงไปเป็นการว่า ย, ยุติดการทําความทั่วทางกายทางวาจาเสียทีในเมื่อเราไม่มีการทําทั่วทางกายทางวาจาผลวิบากที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรียกว่าเป็นบาปดำที่เราจะต้องตามไปรับผลสนองนั้นย่อมเป็นอันสิ้นสุดตรงเพียงแค่นั้นส่วนของเก่านะั้นปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ทําความดีใหม่เรื่อยไป เมื่อความทั่วที่เราไม่ได้ทำนั่นมันห่างกันไปนานๆนเข้าเจตใจของเรามันก็ไม่นึกถึงบ่อยนักมันก็ห่างจากความทั่วที่มีอยู่เป็นโอกาสที่จะให้เราทำดีทำดีทำดีเรื่อยๆไปการทำดีเนี่ยหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาเนี่ยถ้าใครไม่สามารถที่จะเข้าใจในเหตุผลอะไรต่างๆก็ทำไปเถอะทำไปอย่างที่ท่านอาจารย์สาวะภาวนาพุทธโธสิิ ในเมาตั้งใจภาวนาพุโทโธอย่างจริงจังแล้วอย่าไปกลัวว่าจิตมันจะไม่สงบอย่าไปกลัวว่าวิปัสสนาสมถฐานมันจะไม่เกิดขึ้นขอให้มันมีสมถะกันเอาไว้ก่อนอย่าไปกลัวสิ่งที่เรายังไม่มีถ้ า, าสมมติว่าเราจะหาเงินหาทองแล้วมันร่ํารวยแต่เรากลัวเป็นเศรษฐีเมื่อไหร่มันจะได้เป็นสัทีทีนี้เราจะภาวนาให้จิตสงบกลัวแต่ว่าเราจะไปติดสมถะทั้งๆ ท, ที่จิตของเราไม่เคยผ่านสมถะเลย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 ท่านทั้งหลายอาจจะมีความสงสัยอยู่มากอย่างมากทีเดียวก็คือเรื่องมโนโมายติอามาพูดกันเรื่องมโนโมายธิแต่ว่ามโนโมายธิคืออะไรนั้นอาตจจมาจะไม่ขออธิบายเพราะความเข้าใจในเรื่องมโนโมายธิขอออกตัวว่ายังไม่เข้าใจ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 เบจระบบลงเป็นอุปจารสมาธิตามที่กล่าวแล้วไปดูนระกดูสวรรค์ได้หละการที่สองภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลกหละการที่สามภาวนาคาถาปลุกพระคือนมะพระภะประการที่สี่ใช้วิธีการสะกดจิตแบบชาวตะวันตกเขาใช้สามารถที่จะส่งคนไปดูนระกดูสวรรค์ได้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 อาตมาจะขอแนะวิธีการเอาไว้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ได้ทดสอบมาแล้ววิธีการไปดูละลกดูสวรรค์ด้วยการภาวนาคาถาและเจ้าเปิดโลกคาถานั้นมีอยู่ว่าท่านภูมิเทพอาจจะไม่ลำบากในการจดจำเวธีการในเบื้องต้นให้หาดอกไม้คู่หนึ่งเพียนคู่หนึ่ง เอามาเสกด้วยคาถาพระเจ้าเปิดโลกแล้วนำผู้ที่จะให้นั่งภาวนานั้นไหว้พระอรหังสว่าข้ขาโตสุปฏิปันโนนำว่าณโมตัสสะแล้วเขาเอาดอกไม้ใส่มือให้เขาประนมเอาไว้อย่างนี้แล้วก็บอกเขาว่า พุทโธทีปังตะโลโลกะทีปังอาตาสกะสินังวิโสตยิธรรมโอทีปังตโลโลกทีปังอาตาสกะสินังวิโสตยิสังโฆทีปังตะโลโลกทีปังอาตาสกะสินังวิโสตยิพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่เจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้ า, า, เ, จาเป็นดวงประเทศแก้วสองโลก ขอจงโปรดสรงสว่างทางนรกทางสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเห็นจริงแจ่มแจ้ ง, จงในการรับบัตินี้ด้วยเถิดแล้วก็ให้คนถือดอกไม้บริกรรมภาวนาถ้าจะให้ไปดูสวรรค์ก็ให้ภาวนาว่าสวรรค์สวรรค์สวรรค์สวรสวรค์แล้วก็คอยสังเกตดูว่าคนภาวนานั้นมีอาการสั่นสั่นสั่น ส, น ส, นสันขึ้นพอสั่นขึ้นแล้วแสดงว่าเจตของเข้าในกำลังเริ่มสงบมีอาการเกร็มเติม แล้วเราก็สั่งออขั้นสั่งได้ทันทีว่าทําใจให้อ่อนๆทําใจให้สว่างแล้วก็มองไปไกลๆถ้าเห็นเทวดาให้เทวดาพาไปดูสวรรค์ถามทางเข้าไปทีนี้ในเมื่อเขาเห็นเทวดาแล้วเขาจะบอกกับเราว่าเห็นแล้วเอ้าขอไปกับเทวดาแล้วเทวดาจะพาไป ในขณะที่เข้าไปนั่นแสดงอาการไปก็จะสั่นแรงขึ้นถ้าไปเร็วก็ยิ่งสั่นแรงถ้าเดินไปธรรมดาก็สั่นธรรมดาธรรมดาทีนี้ถ้าหาะไปเขาจะตางติ่งออกทาท้าหาะอันนี้ไปทดลองดูได้และเอกวิธีหนึ่งนั่นอันนั่นเป็นวิธีสะกดติดแบบฝรั่งอันนี้จับเด็กมาเด็กประมาณสักอายุ ติดสองขวบถึงติดห้าขวบหรือจะเป็นใครก็ได้อามาแล้วก็มาบอกเขาว่าบัตรนี้ท่านจะสกดเจ้าให้ไปดูนระกดูสวรรค์ถ้ามีอะไรที่มีแสงมีเงามีเงาสะท้อนก็เอาเยื่อใส่มือให้เขาบอกว่านี่ของวิเศษใครจะมองดูของสิ่งนี้แล้วจะมองดูของสิ่งนี้แล้วเจ้าจะนอนหลับ แล้วก็บอกให้เขาหลับหลับถ้าหลับหลับหลับหลับหลับหลับพอสังเกตดวงตาหนังตาก็หนักลงหนักลงหนักลงแล้วทีนี้เราก็โบกมือบอกให้เขาหลับเอานอนหลับซะพอเขาหลับตาแล้วปล่อยให้เขาหลับอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปบอกกับเราว่าบัดนี้ท่านจะสะกดเจ้าให้ไปดูนรกสูสวรรค์ท่านจะปลุกเสกเจ้าให้เป <amorph pieces S 1> ็นผู้ปีเลตมีอ um ิทธิพลสามารถเหาะเินเดินอากาศได้ สามารถจะไปไหนมาไหนได้ทุกคนทุกแห่งตามที่ท่านจะสั่งให้เจ้าไปเอ้าเจ้าไปดูนรกได้นรกอยู่ทางทิศโน้นมองไปไกลๆแล้วเจ้าจะเห็นนรกเจ้าเห็นอะไรแล้วเจ้าพูดกับฉันได้บอกฉันได้พอเขาไปเห็นแล้วก็จะบอกว่าโอ้เห็นแล้วยมบาลมีโูกปร่างลักษณะอย่างนั้นนรกมีโลกปร่างอย่างนี้หมอนรกใหญ่ขนาดต้นขนาดนี้เขาจะเล่าให้เราฟังทันที อันนี้คือวิธีการไปดูนรกดูสวรรค์ใครใชว่าเป็นมโนโมยิยติหรือไม่อาตมาไม่สนใจแต่ถ้าใครสามารถทำได้ดีอย่าไปตำหนิท่านผู้ที่ท่านทําได้ในฐานะที่เรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงอย่าไปตัดสินว่าของใครผิดของใครถูกอันนี้อาตมาเป็นห่วงยังมีครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านทําอยู่ในปัจจุบันนี้ เราต้องพยายามพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ท่านผู้ทำการศึกษานี่ไม่ว่าทางโลกทางาศาสนาเรามีโสตติศึกษาคตระศึกษาการเทศนว่านรกเป็นอย่างนั้นัต์นรกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ววสวรรค์เป็ น, นอย่างนั้นอย่างนี้เทวดามีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นโสตติศึกษาเป็นแต่เพียงได้ยินได้ฟัง แต่ถ้าใครสามารถสะกดจิตคนให้ไปดูหน้าเทวดาดูหน้าสัตว์นรกได้เป็นดีพิเศษได้ทั้งโสตศึกษาทัศน ศ, าศาึกษาชื่อว่าได้นั่นคืได้อย่างไรคนจะไปเห็นสัตว์นรกตกนรกอยู่ในนรกเนี่ยมันเป็นจริงสถานที่ทรมานได้เกินไปเห็นแล้วอยู่ในสภาพที่น่าลำคานน่าเบือ่อก็มันทุกข์จริงๆที่นี้เสร็จแล้วก็ก็ไปรู้ว่าสัตว์ที่มาตกนรกนี่ทําบาปอะไร เขาก็รู้แล้วว่าทําบาปอย่างนี้มาตกนรกพอเขากลับมาแล้วทีนี้เขาก็กลัวบาปเขาไม่ทํำบาปทีนี้คนที่ได้เห็นเทวดาเห็นไม้บานสมบัติของเทวดาแล้วอยากเป็นเทวดาจยากได้สมบัติของเทวดากลับมาแล้วก็ทําบุญนี่คือผลที่จะจะจะพึงได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุบายสอนผลให้รู้จักศีลรู้จักทำให้รู้จักทําบุญสนทาน อย่างอาตมามาเทศในท่านทั้งหลายฟังไม่ว่าทําสมาธิแล้วจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอาตมาก็ไม่สามารถที่จะจิตเอาของอาตมาออกไปให้ญาติโยมดูได้และบางครั้งญาติโยมบางคนก็อาจจะไม่เคยผ่านความเป็นสมาธิมาเราก็ได้ยินได้ฟังแต่เสียงพูดก็ได้แต่โสตติสัจสาส่วนทัาก็ศึกษานั้นเรายังไม่ได้ก็เ ร, เรายังไม่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้น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 อาสาหรับทางสาวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของบรรดาท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาการพูดมากก็โกหกมากการพูดมากก็ผิดพลาดมากดังนั้นอะไรที่มีตามผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องอาธรรมะก็ถือโอกาสนี้ขอพายท่านผู้ฟังด้วยหากว่าสิงใดพอที่จะเป็นประโยชน์แก่กันปฏิบัติก็ให้น้อมไปที่นิสิิจารณา แล้วก็พยายามภาคเพียนปฏิบัติตามบางทีก็จะเกิดผลแต่ท่านผู้ปฏิบัติต้างตามสมควรในท้ายที่ใ น, ในท้ายที่สุดนี้โดยอำนาจแห่งคุณประศรีรัตนตรคุณปิดามารดาปูบาอาจารย์จงช่วยเป็นสื่อจนบรรดาลจิตใจของทุกท่านให้ดำเนินเข้าไปสู่ความตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะรมตามความเป็นจริงสามารถที่จะ ละกิเลสท่านเป็นสิ่งซึ่งเป้นค่าสึกลบควนความสุขภายในจิตใจให้จิตใจบรรลุถึงความสงบสว่างและบรรลุผลสําเร็จคือมาผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเถิด็่ <c oughs> อองค์ประกอบของการทําสมาธินี่ในเมื่อสมาธิเริ่มเกิดขึ้นเท่านั้นแหละกายก็เบาจิตก็เบา ถ้าสมาธิอันใด น, นี่เรานั่งสมาธิอยู่ตลอดเชิญย่างลุงตลอดวันย่างคำในเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเมื่อยยังกะวิ่งมาทั้งหลายกิโลกิโลนี่ยนั่นใช่ไหมล่ะออกมาแล้วต้องเบานั่งสมาธิไปดูนรกดูสวรรค์ในไรทโพกหมู่นี้อยู่ในลักษณะของการสะกดจิตการสะกดจิตมีหลายแบบสะกดด้วยภาถาอาบม ถ้ากดด้วยอาถารของวิชชาพายโจมอยากจะเป็นนักสมาธิที่ถูกต้องอย่างดีนั้นเวลาเรียนสมาธิอย่าไปขึ้นครูกรรมฐ า, านถ้าเขินไปขึ้นครูกรรมฐ า, านน่าจะมีอาถรนครอบเหมือนกันกันกบเรียนมุนไสยศาสตร์ภาวนาแล้วจิตจะไม่เป็นตัวของตัวแต่คล้ายกับปูกอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งข่มรออจะกดให้เป็นไป อย่างเวลานี้ที่โพ ร, ราชก็มีอีกสายหนึ่งเขาเรียกว่าสายสัญญาพอไปขึ้นโคแล้วก็ลงอัก ร, ระบนรหมมมีการสวดเจติติไปภาวนาแล้วก็เมื่อเจดสงบก็ลงไปเมื่อเมื่อกับมีสิ่งมาบิดหัวใจดึงหัวใจไปนี่แสดงว่าเจตไม่เป็นไปโดยอิสระของตัวเอง เราพุทธธรรมสงรงค์และอารมณ์ของกรรมาฐานที่เราใช้เป็นผู้ของใจนี่เป็นแต่เพียงเป็นสือสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอํานาจเหนือจิตเป็นอย่างพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธก็เป็นแต่เพียงสื่อเป็นเหยื่อล่อจิตให้อยู่กับสิ่งนั้นได้มากๆเท่านั้นเองทีนี้ว่าจิตมันอยู่ที่ของมันแล้วเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็าไม่ต้องไปึสนใจใครเขาจะไปเหนือลองไตเขาก็ไปโดนลําพังเขาเอง แต่เจจังต้องมีที่พึ่งมีที่อาศัยอยู่แล้วอันนั้นมันยังไม่ถึงขั้นแห่งความเป็นจริงแต่ในตอนบรรยายอาตมาได้ออกตัวไว้แล้วว่าเรื่องมโนมา ย, ยิที่ที่ยังไม่เข้าใจยังไม่ทำนิํำนานแต่จะเอาประสบการณ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจมาเล่าสู่กันบางทีอาจจะพอเปรียบเทียบกันได้บางแต่ในบางครั้ง เมื่อนั่งสมาธิเข้าไปแล้วเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิในขณะที่กระแสจิตยังส่งออกไปข้างนอกได้จุในบางครั้งก็ส่งกระแสจิตไปไปดูโน่นดูนี่แต่ในลักษณะที่ส่งกระแสจิตไปนั้นไม่ได้ตาบดว่าตัวตัวร่างกายไม่ไปด้วยไปแต่ความรู้สึกทีนี้กระแสของจิตนั้นมันไปถึงที่ไหน มันก็ไปเกิดสว่างอยู่ในบริเวณนั้นอะไรที่มีอยู่ในที่นั้นมันมองเห็นได้หมดบางครั้งเพิเ่มมันวิ่งเข้าไปตรวจดูในบ้านในช่องคนว่าเขาจะนอนกันอยู่อย่างไรอย่างนี้มันก็เคยดีนะแต่แล้วมันก็ไปเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านคนเขามีอะไรอะไรก็เห็นหมดแต่ว่าตัวไม่ได้เดินไปด้วยอันนี้จะพอนึกว่าพเปรียบเทียบได้ประ้บบางว่าคือมโนโมยิทศส่วนหนึ่งเหมือนกัน แต่มโนโมาเยติชนิดที่ว่าไปดูและโลกดูสวรรค์นี่ถ้าใครทำได้แล้วก็จะถือว่าเป็นมโนโมาเยติก็พอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบได้เป็นแนวทางได้เมื่อผูท้ทำได้นั้นฝึดทำได้ทำนานขึ้นมาแล้วจิตของเขาก็อาจจะพ้นจากภาวะที่ถูกตกรไปเองแล้วจะกลายความเป็นเป็นเป็นเป็นธมัาติภ า, ภาพของจิตที่ฝึดทำได้ทานานแล้ว เป็นอย่างการภาวนาเนี่ย <c oughs> จะภาวนาแบบไหนก็ตามถ้าอาจารย์สามารถสะกดติตของโลกติดให้ดำเนินตามองค์ชาได้มันก็เป็นปัจจัยให้สู้ปฏิบัตินั้นเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นแล้วอยากทำแม่สิ่งนั้นจะเป็นไปโดยถูกอำนาจสิ่งหนึ่งบังคับไปก็ตามแต่ปัญหาสำคัญขอให้ผู้นำนั้นนำโลกติตไปในทางที่ถูกต้อง มืวอโขกบังคั บ, บโขกนำบ่อยๆเข้าความเิ้านํำดานในการปฏิบัติมันก็ค่อยเกิดขึ้นมาเองแล้วพลังจิตของโู้ภาวนานั้นก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวขึ้นมาจิตละน้อยลวน้อยแล้วในที่สุดจะเป็นจิตที่เป็นอิสระสา ม, มารถปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้บิดเบือนทว่า ถ้าใครสามารถภาวนาให้มีจิตเป็นสมาธิรู้ทำเห็นธทำอยู่ในบ้านของตัวเองจะมีภาพปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านทุกวันถ้าใครภาวนาทำจิตให้สงบได้รู้ทำเห็นทำได้อยู่ภายในบ้านจะมีคุณค่าดียิ่ยงกว่านิมนต์พระไปสวดมนต์ตั้งหมื่นหมื่นองค์แม่ทําให้เขาทําอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาว่าไม่มีเวลาจะไปวัด เองอยากจะให้ทุกท่านสร้างวัดขึ้นภายในห้องนอนของตัวเองทีนี้บางคนเขาคัดค้านว่าท่านไดสอนคนให้เขาทําอย่างนั้นเสือเขาได้รับความสบายภายในบ้านเขาแล้วเขาไม่มาทําบุญกับท่านท่านจะไม่อดหรือแม่ทว่าบอกว่าไม่มีทางยิ่งจะมากขึ้นเพราะเขาล้านแต่การที่ไหว้พระสวดมนต์เปรตแผ่เมตตาก็ การแผ่เมตตานั่นเราจะเลิกว่าตัดผู้มีชีวิตซึ่งเป็นเพื่อนพวกเกิดแต่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีสุขใจสุขใจเถิดแค่นี้ก็เป็นการแผ่เมตตาแล้วพอหลังจากนั้นจะเลิกในใจว่าพุทโธตัมโมสังโขพุทโธตัมโมสังโขพุทโธตัมโมสังโขแล้วก็กําหนดูลลงที่จิตเลิกในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในจิตอย่นั้นนะ เดินเดินดั่งนอนกินดื่มทำพูดจ็ดนึกพูดโตได้ตลอดเวลาตัวนม่อนนี่เราจะได้ตัวได้เพียงใดแค่ไหนไม่สำคัญแม่จะได้แต่เพียงน้โมตัดตาแม้วตว่าโตจบเพียงแค่นั้นจะช่วยจูเพียงแค่นั้ น, นแหละแล้วถ้าชวด้วยความมั่นใจ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 แต่จำอะไรไม่ได้ของผู้โตผู้โตผู้โตผู้โตหรืยกน้องเพียน้องยกน้องเพียน้องเปียนคําเดียวตัวนั้นใช่ได้แม้แต่การพิจรารณาธรรมเหมือนกัน <c oughs> เช็นอย่างพิจรารณาอาการสามสิบสองนี่ก็ไปจําเป็นจะต้องไล่ไปจนมันครอบหมดทุกอาการจะแทงตูปเพยเียงกระดูกหัวหน้มืออันเดียวที่ให้มันมองเห็นได้จิตเป็นสมาธิขึ้นมาได้ใช่ได้ อันเดียวนี่แหละมันจะเป็นได้ทั้งสมาถะวิปัสนากรรมฐานถ้าจิตมันมองเห็นว่าหัวแม่มือนี่เป็นหัวแม่มือแค่นี้มันก็เป็นสมาถะกรรมฐานถ้ามันว่าหัวแม่มือนี้ทำไมคดคดเี้ยวเขี้ยวเปลียล่ยนเปี่ยแปลงแปล ง, ลงอะไรได้สนิทได้มันก็เป็นวิปัสนากรรมฐานแล้ว่อย่าไปคิดอะไรให้มันยุ่งนัด <c oughs> ทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้นั่นคือสมถะรู้ว่าจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิคือวิปัสสนาเอากันแค่นี้ถ้าไปรู้มากกว่านี้แล้วมันยุง่งทีนี้มันรู้จริงแล้วมันขยายตัวไปเองหมดอย่าไปยกเคล็ดอะไรให้มันวุ่นวายนะต้องไปแวะที่นั่นอีกจริงถื อ, อโอกาสนี้จเจริญพรลาบรรดายาจุบทั้งหลาย วัดป่าสารวันยินดีต้อนรับญาติโยมทุกคนวลานี้กำลังสร้างหอพักสร้างศาลาที่พักพูดทีไปจำติ